แต่ว่าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกถ้าหนีรีบเกินไปมันก็ไม่ถึงที่ช้าเกินไปมันก็เสียการเียกันนะก็คือมันก็ไอพอดีนี่แหละที่สําคัญมากที่สุดนี่พอดีของการศึกษาปฏิบัติอยู่ที่ไหนเจริญศรัทธาได้ไหมเจริญวิริยะได้ไหมเจริญสติเพิ่มไหมฟุ้งซ่านมากขึ้นไหมเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยนะเอาตัวปัญญาเอาตัวกุศลธรรมที่อยู่ในภายในของเราเป็นหลักถึงอ่านพระไตรปิฎกจบ รอบแล้วรอบเล่าถ้ากุศลไม่เจริญมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยนะเครียดอยู่นั่นแหละเชื่อเหรอเขามารู้จักคนที่อ่านพระไตรปิฎกจบเป็นรอบๆตั้งหลายคนแต่แม่ท้องอืดบ่อยแล้วเกิดรับแปลว่าเครียดนั่นแหละไปคิดอะไรมากเนี่ยก็แสดงว่ากุศลไม่เจริญแล้วทำยังไงเรียนแล้วกุศลเจริญเนี่ยนะเรียนแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเป็นไปเพื่อความสุขเพราะอย่าลืมทั้งเรียนให้มันอ่านพระไตรปิฎกให้มันรีบจบจบแล้วไปทําอะไรต่อเนี่ย ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยบางทีเนี่ยนะเพระนั้นก็พยายามค่อยๆเอาเอาให้มันพอดิบพอดีหน่อยนะคือบางอย่างเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าทําในสิ่งที่ได้ยากก็คือเรื่องตามองเห็นปั๊บนี่ภาษาหนี่เวทนานี่สัญญานี่เจตนานี่ภาษาของเราจําพระองค์ว่ายังไงก็ว่ายังไม่เห็นก็ไม่ต้องไปหนักใจเนี่ยนะในสิ่งนั้นเดี๋ยวว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเข้าใจเองแหละ บางเรื่องนี่มันยากเหมือนอะไรยากเหมือนว่าเอาน้ํามันงาน้นํามันผัากกาดน้ำมาาันมะซางน้ํามันละหงแล้วก็น้ํามันเหลวมารวมกันแล้วก็คนใครเรียกว่าเอามาเคี่ยวทั้งวันเลยเนี่ยนะพอมาเคี่ยวเสร็จแล้วเอามาแยกนี่น้ํามันงานเอาน้ํามันห้าชนิดเนี่ยมาเคี่ยวพร้อมกันเนี่ยนะนี่น้ำมันงาน้ำมันผักกาดทํายากไหมยากแล้วถามว่าถ้าลงไปในน้ําน้ํา น, านา้ําทะเลเนี่ยแล้ววักขึ้นมาปั๊บเออนี่ โมเลกุลน้ำเม็ดนี้นะมาจากเจ้าพยาเพราะมีกลิ่นแบบนี้เนี่ยนะโมเลกุลอันนี้มาจากบางประกงเนี่ยนะโมเลกุลอันนี้คงคาเนี่ยนะใครทําได้บ้างชิมน้ําทะเลเนะี่ยมันคละเข้ากันไปหมดคือบอกมันยากขนาดน้ํามันยังยากจะกล่าวไปยายว่านี่ผรรษะนี่เวทนานี้สัญญานี้เจตนาเจตสิกแหมไล่ได้ทุกดวงในจิตดวงเดียวเนี่ยนะสาธุมีบุญเท่าพระพุทธเจนะ้าเนี่ยเก่งจังเลยเนี่ยนะแต่ว่าปัญหาว่าขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทาได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระธรรมราชาเป็นพระธรรมมาชาเป็นพระธรรมมิสรก็คือเป็นใหญ่ที่สุดในธรรมและขณะเดียวกันพระองค์แทงตลอดพระสัพพัญยุตยานอย่างดีแล้วพระองค์จึงตรัสสิ่งที่เป็นอรูปคือนามธรรมเนี่ยนะ ที่กำลังเป็นไปในอารมณ์เดียวเนี่ยนะเป็นไปในอารมณ์เดียวเปรียบเหมือนกับเาเรียกว่าตักน้ำแล้วมาแยกเป็นส่วนๆมะไรนี้น้ำคงคา ย, ย ม, มุนาเป็นต้นที่ไหลไปสู่ท้องทะเลเนี่ยน ะ, ะเพราะฉะนั้นสรุปว่าอาการที่จะมาจำเนกแยกแยะในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเข้าใจยากว่างั้ น, นมาดูปัญหาข้อต่อไปเนี่ยนะปัญหาข้อที่ที่ทลายละ ที่สิเนี่ยนะปัญหาข้อที่9้าเนี่ยหมายคําว่าถ้าอารมณ์นั้นพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายก็หมายถึงอรูปประพบเท่านั้นแหละหมายถึงอรูปธรรม ท, ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าอย่างพวกรูปฌานนะโดยมากยังต้องเกี่ยวข้องกับทวารห้านะเช่นยังบางอย่างก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสีคือกลุ่มกสินก็ถือว่ายังเกี่ยวข้องกับตา บางอย่างก็อานาปาณสติก็ยังเกี่ยวข้องกับลมคือการกระทบคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยบางทีมันยังเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพรารูปประจานยังเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นเหลือแต่ใจล้วนๆอันนี้แหละเรียกว่านามาซึ่งอะไรอรูปอรูปประจานใช่ไหมอรูปประจานมีอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนี่ยนะ มาขึ้นปัญหาข้อที่ส0ในหน้า281พระภาพมหาโกธิตาถามว่าท่านผู้เจริญเนี่ยนะก็บุคคลจะทราบนัยธรรมนัยธรรมเนี่ยน ะ, ะสิ่งที่ถูกนำมาหรือสิ่งที่ต้องขยายความเนี่ยด้วยอะไรภาษารีบุตรก็ตอบว่าทราบนัยธรรมได้ด้วยอานาจของปัญญาจับสุเขเรียกว่าตาปัญญานัยธรรมเนี่ยเป็นชื่อของสิ่งที่ เพิ่งแนะนำํำแปล ว, ว่าสิ่งที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะอะไรที่แหมคือไม่ใช่ว่าจะเข้าใจง่ายๆเนี่ยต้องอธิบายแยกแยะเราจะเข้าใจสิ่งนั้นอะ่ะตัวที่ทําให้เข้าใจสิ่งนั้นได้อะ่ะคืออะไรภาษารีบ ท, ท่านก็บอกว่ารู้ได้ด้วยปัญญาในในหน้าสามเจ็นี่ยนะบรรทัดล่างๆเห็นไหมสักสามสีบ่บรรทัดข้างล่างท่านบอกว่าไอการจําเนกแยกแยะ เ, เนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้ที่บอกว่า อรูปปชาญทําไมยกอากาสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะและอากินจัญญายตนะทําไมไม่พูดถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนะด้วยล่ะเพราะว่ามันแยกยากเนี่ยนะมันก <Old> oh ําหนดยากการที <tit acontecer> ่จะมาจําแนกกําหนดเป็นหมวดหมวดทำได้ยากเพราะการจําแนกแยกแยะแบบนั้นไม่เกิดแม้ขนาดพระสารีบุตรว่างั้นเถอะขนาดพระสารีบุตรยังทําได้ยากว่างั้นหรือทําไม่ได้ว่างั้นเถอะ ไอการที่จะจำแนกเนี่ยนะแต่การจำแนกสภาพของจิตและก็เจตสิกทุกอย่างที่อยู่ในจิตดวงเดียวกันเนี่ยมันสำเร็จแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระสัพพันธ์อยู่ผู้มีพระสัพพันธ์ยุติยานอยู่ในกำรร ม, มือเพราะฉะนั้นพระองค์สามารถยกจิตขึ้นแล้วก็ยกเจตสิกที่เกิดพร้อมแล้วก็ทำอย่างอื่นๆที่เกิดร่วมในสิ่งเหล่านั้นได้50อย่างเนี่ยนะกว่า50อย่างแคะกุศลธรรมเกิน50เนี่ยนะจะยกโดยนัยะ ภัสปัญจกะโดยมูลโดยกรรมบดโดยอินรีโดยพละโดยอายุควรธรรมเป็นต้นเนี่ยพระองค์เอามาสาเนกแจกแกงได้โดยนัยะต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะยกเนวะสัญญาขึ้นมาเนี่ยถือว่าถามได้ยากเพราะฉะนั้นก็เลยในภาษาริบทเลยไม่ได้ยกอะไรไม่ได้ยกเนวะมายกเฉพาะอากาสารนัจายตนะวิญญาณนันจา ย, ยตนะญญนนยยตนะและ อากินจัญญาญตนะเพราะว่าเนวะสัญญาณนาะสัญญายาตนะหมาจะว่ามีจิตก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จิตแบบหยาบหยาบก็ไม่มีแล้วเหลือแต่จิตแบบชนิดที่เรียกว่าละเอียดละเอียดเพราะนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็รู้ได้ด้วยปัญญาเนี่ยนะรู้ได้ด้วยตาปัญญาเพราะในหน้าสามร้อยแปดย่อหน้าที่บอกว่าย่อมรู้ชัดด้วยปัญญาเนี่ยพวกนัยธรรมเนี่ยรู้ได้ด้วยปัญญารู้ด้วยตาปัญญาคืออะไรตาปัญญาที่เกิดรู้ ปัญญาในสมาธิกับปัญญาในวิปัสนาทั้งโดยกิจและโดยอาสัมโมหะเนี่ยนะโดยกิจก็คือหน้าที่อาสัมโมหะคือไม่หลงลืมด้วยปัญญาในสมาธิทั้งรู้โดยอารมณ์และแทงตลอดลักษณะทะลุด้วยวิปัสนาปัญญามันตัวปัญญาเนี่ยน ะ, ะตัวปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปทำกิจเจริญสมาธิให้สำเร็จ ถ้าไม่มีปัญญาสมาธิไม่เติบโตไม่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ทั้งสมถะและวิปัสนาเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ปัญหาต่อไปพระมหาโกธิตาถามว่าแล้วปัญญานี่มีเพื่อประโยชน์อะไรล่ะท่านอ้าวแล้วมีปัญญาแล้วมันดียังไงมีปัญญาเพื่อประโยชน์อะไรมีปัญญาไว้ทําไมอันนั้นถามอยังงี้ดีใช่ไหมของเราเออไหนอยากมีปัญญาเหลือเกินอ้าแล้วคุณเอาปัญญาไปทําไมต่อได้ยัง บอกว่ามีปัญญาเพื่ออภินยตถาเพื่อความรู้ยิ่งมีปัญญาเพื่อปริญยตถาเพื่อการกำหนดรอบรู้แล้วก็มีปัญญาเพื่อปหานะปหานัตถาเนี่ยเพื่อการละสิกูลเนี่ยนะอาบุโสเขามีปัญญาเพื่อสิ่งเหล่านี้แลเนี่ยนะของเรานี่ถ้าไม่อยากฉลาดเหลือเกินนะเอาความฉลาดไปทาอะไรเอาไม่อยากมีปัญญาเหลือเกินเนะี่ยเอาปัญญามาทาอะไร เอาปัญญามารู้ยิ่งทําที่ควรรู้ยิ่งเอาปัญญามาก bear, ําหนดรอบรู้ทำที่ควรกําหนดรอบรู้เอาปัญญามาเพื่อละสิ่งที่ควรละเพราะปัญญานั่นแหละมันเป็นตัวตัวควรเจริญอยู่แล้วใช่ไหมปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ควรเจริญปัญญาเป็นตัวที่ควรทําให้แจ้งอยู่แล้วเนี่ยนะเสขะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเจริญอะเสขะปัญญาเป็นสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยแหละจำเป็นมากที่ต้องการต้องการเพื่อให้ได้ปัญญาเพราะตัวปัญญา ทัวนในครั้งหนึ่งนะเสกขปัญญาต้องเจริญอเสกขปัญญาต้องทําให้แจ้งแล้วถามว่าเมื่อมีเสขะปัญญาอเสขะปัญญาเพื่ออะไรเพื่อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะเพื่ออะไรนะอภิน ญ, ญัต า, าเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่การรู้ยิ่งปริญญัตาเพื่อประโยชน์แกการกําหนดรอบรู้แล้วก็ปหานณถาเพื่อประโยชน์แก่การละนั้นในหน้า308เนี่ยนะตรงกลางหน้า ตรงกลางหน้าคําว่าเพื่อต้องการอะไรหมายความว่าถ้าเราต้องการให้มีปัญญาอยากฉลาดเหลือเกินเนี่ยนะจะได้มีปัญญาเนี่ยบางคนไี่หวังมีปัญญาทําไมเวลาใครถาม เ, เวลาใครถามจะได้ตอบได้คิดได้แค่นี้จริงๆนะเหมือนกับว่าอ๊ยเราจะได้ไม่จนไงใครถามอะไรเรารู้หมดเนี่ยนะแค่แค่แค่นี้เองเหรอเพียงแค่ต้องการตอบคําตอบได้แค่ะนะนั้นแสดงว่าความคิดเท่ากับฉลาดเท่ากับนักเรียน อ้าวฉลาดถ้ากับเด็กๆเกพราะเขาจะได้ตอบข้อสอบได้จะได้เรียนจบเนี่ยนะคิดได้อยู่เท่านี้นะเป็นอยู่เท่านี้จริงๆเวลาครูถามแล้วจะได้ตอบได้นะเราไม่ใช่แค่นั้นหรอกแต่ทีนี้ท่านบอกไว้อย่างชัดเจนว่าการมีปัญญาเพื่อจะได้รู้ยิ่งสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การรู้ยิ่งรู้ยิ่งอะไรรู้ยิ่งสิ่งที่พึงรู้ยิ่ง ธาตุกล่าวตามสูตรอื่นๆเนี่ยนะถ้าสูตรอื่นๆเนี่ยรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนัคืออะไรทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งคือสัพเพสัตตาอาหารติถิกาทำสองที่ควรรู้ยิ่งคือสังคตาธาตุและอสังคตาธาตุทำสามที่ควรรู้ยิ่งคือธาตุสามทำสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออริยสัจ4ี่ทำหที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะห้าทำหที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะ ส่วนทำห6ก็คืออนุตริยะ6กทำเ7ก็คือนิทตะวัตถุ7จ็ดทำแปดที่ควรรู้ยิ่งคืออภิพายตะนา8ปดทำเกที่ควรรู้ยิ่งคืออนุปุาพวิหาร ส, สมาบัติ9เนี่ยนะอนุปภาพวิหาร9้าแล้วก็ทำสิบที่ควรรู้ยิ่งคือนิชระวัตถุสิบเรือนนิชชินนะวัตถุสิบางในเรือนนิชชินนะวัตถุสิบเนี่ยนะแล้วทำอนะันน การมีปัญญาก็เพื่อจะได้กําหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้ไอ้การกําหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้กําหนดรอบรู้อะไรกําหนดรอบรู้หนึ่งก็คือภาษะโลกิยาภาษะทุกชนิดเนี่ยนะชื่อว่าโลกิยาภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะธรรมสองที่ควรรู้ยิ่งคือนามรูปเนี่ยนะเรียก ว, ว่ายกอะไรนามรูปทุกกะเนี่ยนะแล้วก็ ทำสามที่ควรรู้ยิ่งก็คือเวทนาสามพร้อมทั้งวัตถุและอารมณ์เนี่ยนะทำสี่ที่ควรรู้ยิ่งคืออาหาร4ี่ถ้าพูดอาหาร4ี่เท่ากับพูดสติปัฏฐานสีท่ทำห้าที่ควรรู้ยิ่งก็คื อ, อทำห้าที่ควรกําหนดรอบรู้คืออุปาทานขันห้าทำห6ที่ควรกําหนดรอบรู้คืออายตนะภายใน6กทำเจที่ควรกําหนดรอบรู้คือวิญญาณทิติ7จ็ดทำแปดที่ควรกําหนดรอบรู้คือ โลกธรรมแปดธรรมเที่ควรกําหนดรอบรู้คือสัตววาต์เก้าธรรมสิที่ควรกําหนดรอบรู้คือ อ, อ, อายตนะสิเนี่ยนะพนเพราะสิบสองก็เป็นอายตนะ1218ก็เป็นท่าสิบแถ้า22ก็เป็นอินทรีย์เนี่ยนะเพราะการามีปัญญาก็เพื่อจะได้กําหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้เมื่อกําหนดรอบรู้ธรรมที่ควรกําหนดรอบรู้เนี่ยต้องการเพื่ออะไรต้องการเพื่อละ ละอะไรละโดยการละเนี่ยนะละแบบไหนบ้างละโดยตะทางข้าประหารละโดยวิขัมพนะประหารเรีย่ยวละทั้งโดยสมถะและโดยวิปัสนาสมถะวิปัสนาเคียงคู่กันไปเป็นอริยมรรคผลของมรรคเรียกว่าสามัญญผลเนี่ยนะดังั้นการมีปัญญาก็เพื่อละโดยตะทางข้าประหารวิขัมพนะประหารและสมุดเฉทประหารละอะไร อ น, น, นละด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่สิ่งที่ต้องถูกละกำจัดออกไปหนึ่งอสมีมานะอันนี้ต้องละอย่างแน่นอนสองทมสองที่ควรละอวิชากับภาวะตันหาทำสามที่จำต้องละจำเป็นต้องละเลยคือตันหาสาที่นำไปสู่พบใหม่ทำสี่ที่ต้องละคือโอคะสี่ทำห้าที่ต้องละเลยก็คือนิวรห้ า, ทาหที่ต้องละเลยก็คือ ตันหากอง6กเนี่ยนะกองตันหาทวานตาเป็นต้นเนี่ยนะทำเจ็ดที่ควรละคืออนุใสเจ็ดทำแ8ดที่ควรละคือมิชะตะแปดทำเก้าที่จําต้องละเลยก็คือตันหาเป็นมูลแห่งการสแสวงหาเป็นต้น9้าอย่างเนี่ยนะแล้วก็ทำสิบที่ต้องละคือมิชะตะสิบสังโยตสิบเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะก็นี่พวกนี้ต้องละทั้งนั้นแหละ พันธเป้าหมายของการมีปัญญาก็เพื่อจะได้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละดังกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าเสขปัญญาเนี่ต้องภาวนาต้องเจริญวังนั้นถ้าถ้าเสขปัญญาเป็นสัจฉิกิริยาควรทําให้แจ้งเน่ยนะนะเพราะฉะนั้นการมีปัญญาอย่างเดียวจะได้ละรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจะได้ละสิ่งที่ควรละจะได้กําหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกําหนดรอบรู้เพราะความเจริญแห่งปัญญานั่นแหละเป็นความเจริญที่พิเศษสูงสุดแล้วเนี่ยนะนะไม่มีอะไรจะเจริญยิ่งใหญ่เท่ากับการเจริญปัญญาปราธานาเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเจริญด้วยปัญญามีปัญญาที่ คงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาคงที่นั้นปัญญานี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดเป็นสิ่งที่สูงสุดเนี่ยนะปัญญาแบบโลกิยะอนั้นรู้ชัดทั้งโดยกิจและก็โดยอาสัมโมหะปัญญาที่เป็นโล ก, กุตระรู้ชัดโดยอาศัมโมหะอย่างเดียว